เทศในคืนวันที่23ตุลาคมพศ2518ณวัดป่าบ้านตาตจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนเทศอบรมคณะนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัะทธศาสนาตะเคีรนโลกมานานตะเคียนปฏัติพระพุธเจ้าองค์ปฏิบัตซึ่งประกาศพระพศสนาออกมาสีล่้โดยแงพันห้าล้จุแปดอืมแสดงว่าพระพุทศานาที่ตะเคีนโลกมาได้ห้าร้ว สองพันห้าว้อจแปดปีมูนทั้งหลายเลื่อนมาตั้งแต่าการจัดเปจนกระทั่จทงจัดถึงวันนี้ว่าโกมหฮะโซจิมานันโดที่จังปัดใเตือนตระตึกรบถทั้งหลายทำมอ มันอนหลับทับผิดเนอยู่เมื่อไรจะตื่นเ<ค>รา ใ, <ค>ในโลกนี้ไม่มีไฟใดที่จะยิ้นย้ อ, อนยุ่งเกไฟที่เดือดกันหากท่กานยังไม่ทราบยหรือว่าไฟของนี้เป็นไฟที่เาาโลกมาเป็นเวลานลานและทาความเสื่มเสียแก่โลกก็คือที่เดือดันหาเหล่านี้ เป็นศาสตราจารย์คุณพระเ่าจีนมานังดูทำไมจีงาพากันลุ่นลงมันถึงกลับไปแบบนี้นะกลับไปแบบนี้หละเพระาะศาสตสอนโลกมาเป็นเย่านานผู้ที่เปินเห็นโทษไทยตามพระองค์ท่านจะยุประทึกปฏิบั ต, ติความจัดสิ่งที่เป็นไทยดังกล่าวนี้ สอบได้โดยลำดับทั้งแรกก็มีเป็นจัตุีทั้งห้ามีพระอัญญาโป็นอญค์เป็นต้นได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมเป็นลำดับถึงห้าองค์นี่คือท่านผู้ที่ตื่นแล้วจากหลักขัดตัดไปที่เหลือปัญหาอสุรออกจากจิตใจใจโดยที่งสุด แล้วลำดับต่อไป ต, ติกไปเรื่อยๆตัวทรงห้าโซ่กิมานันดูจะทำรื่นเริงกันอะไรความลื่นเริงเหล่านี้ไนมะ่ใช่ของที่เกิดที่สูนใดนอกจากเป็นเชื้อไปที่ถ้ า, ถาเผาจนเอนหลังจากทำรล่นเริงจากลำดับลงไปแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นปาญญาแผ่นภูมีพลีอันเบาบาง ก็เลยอตื่นเนื้ตื่ตัวประพฤธิปฏิบัติตามพระองค์ทั้งกระเบดเป็นสาวกอรหันขึ้นมาจากเมืองมากมายโดยลาดับลาดับกระทั่งพระพุทธเจ้าประนิทานและหลังจากนั้นมาก็ตื่นตามพระองค์ก็เลยลอกกระเดิดตามกระเดิดพระพุทธเจ้าทำได้จากทุบัรุษพรอรหันต์ประสูติจำลองเป็นอยู่โดยทานเิสรภาพหาสิ่งกดดัน จับคับจิตใจไม่มีเลยก็คือท่านคือพ้นจากทุกคือพ้นจากที่เหลืนี่หลยเพราะนั้นจึงพูดได้อย่างเป็นตา่างว่าที่เหลือเท่านั้นเป็นเรื่อปกติกำบงังเหตุผลดีเพื่อเป็นทางหน้าเดินเพื่อความสงบสุขเรื่องของโลกถ้าที่เหลือออกจากใจเสียอย่างเดียวสุ ด, ดผลก็ด่นทัดความผิกก็เหินชัดความถูกก็เหินชัด เป็นใปทั้งการละการถอนเต็นใจทังงงจทงง้งการบำเพ็ญทาด้วยความเป็นมุกเติมใจด้วยคทางทั้ ง, จจงนัน้นและผลที่จะถึงได้รับก็เปิม อ, อัดเติมทำเติม จ, จิตเตินใจเตินขั้นเติมถูกท่านทั้งหลายด้วยวิตรามาจากทางกายมาทางหลวงได้ดนินดั่มาได้ความเขียวชะละ่ ทุกสิ่งทุงอย่างใ่ว่านะกแม้จีวิตจิตใจเมื่อถึงเวลาจําป็นแล้วจะต้องคื้นยงไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแระทํามพระสงฆ์ตามติําำนวนของตนที่ไม่อมาว่าขณะอย่างอื่นซึ่งมั่มีิ่งค่าเท่าชีวิเลยขนาจิีวิสังลาได้เมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องกระลังจึงสนใจและอนุโมทนากับค่านท่างหลายเป็นอย่างยิ่ในขณะที่ฟังพระรนาฟังให้ถึงใจ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกนี้เป็นธรรมที่ถึงใจครูรู้รู้อย่างถึงใจละที่เลิดอย่างถึงใจถึงความสุจริงมุอย่างถึงใจเป็นความจริงอย่างถึงใจทุกส่วนของธรรมที่เรียกว่าส่ขนคาตธรรมกรากไว้ชอบแล้วอย่างถึงใจไม่มีในเชื้อแฝงเชื้อแฝงสงเชื้แทงสงสัยที่ว่าแต่ว่าธรรมเหล่านี้ไม่เป็นไปเพราะความคนถุกเมื่อที่ปฏิบัติตาม ให้ถุกต้องคำหลักมัชฌิมาที่สอนในเรื่องนึ่งทำนี้จึงเรียบว่านิยาตมุกระทเป็นธรรมที่จะยังผู่ควรทุตปฏิบัติให้ดุค้นกับทุกข์ได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นกับทุกข์ได้โดยทิ่งเธอแค่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่มีตัวาดไม่มีคำสอนของท่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้ที่จะยิ่งกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า อิจาร์อกมาโดยชอบเพราะรู้ชอบผลชอบปฏิบัติชอบผลที่ปรา ก, กาดขึ้นมาจึงเป็นความชอบทุกสิ่งทุกอย่างประทานพระโอาวาทไว้ก็เรียกบรามยมากินมาเติมท่องครางของโลกอยูสมอไม่ว่าสัตไม่ว่าบุคคลและไม่ว่าชาติทั้งวรณะใดที่จะนอกเหนือไปจากพระโอาวาทซึ่งจะก้าวผ่องในถึงนั้นเป็นไปไม่ได้ทำมากของพระพุทธเจ้าก็ตกาสกระเพือม อ, อยู่ทั่วโลกดินแดน นอกจากโลกจะไม่สามารถที่จะพุทธอธิบัติได้เท่านั้นสวนทำ็นสิ่งที่ประกาศกางานอยู่ทั่วโลกเพราะความทุกข์มีอยู่ทั่วโลกทั้งฐานที่มียุยงยานก็จะเป็นแต่ก็ตามบุคคลก็ตามทำจนกระเทือนทั่วโลกเพื่อสุกสานต์่เราท่านไม่ทรงค้นพบพระองค์ียและมัน คามรู้แจ่มถึงจินตลอดปฏิบัติพาผู้ปฏิบัติที่ทรงรู้แจ่มถองจินนั่นมาประกาศสองโลกมัจจิมาปฏิบัติปา ป, าปทาขจึนอวิสังขุภาบรรดาพระพุทธเจ า, าทั้งหลายทรงรู้แจ่มงต่ตลอ ด, ด้วยมัจจิมาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอืง่นทำตื่นที่จะยังผู้ปฏิบัติให้ถึงความค้นคุปไปได้แต่จะนั้นมัจจิมาธรรมนี้จึงเป็นศูนย์กลางของโลกดีู่ตลอไปหากผู้ปฏิบัติตามหลักมัจจิมานี้แล้วจะไม่ผิดหลัง เรื่องการสถานที่หรือมัดผมมีผ่านนั้นไม่เป็นปัญหาอันใดที่เราจะไปคิดให้เสียเวลามิลานอกจากจะเสริมใจในการปฏิบัติกรรมกัดกิเลสที่ตปนภัยจะตนอนี้เท่านั้นด้วยข้อปฏิบัติท่านมีงามดังที่ท่านสอนไว้ที่เรียกว่ามัิมามัดมัดมาทำนี้เท่านั้นเป็นเครื่องรับรองยืนกันทั้งฝ่ายแก้กิเลสปัญหาอสระให้หมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในใจทั้งความรู้แจ้งแทงตลอด ในโดยธรรมทั้งหลายจนถึงความพ้นทุกมีมัชฌิมาธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับแรงไม่มีธรรมใดที่จะรับแรงในการละและการมถึงดังที่กล่มามนี้ได้นอกจากหลักมัชฌิมาธรรมที่ททประทานไ้แล้วนี้ซึงเป็นที่แน่ใจสําหรับผู้ผกิตจะพึงประพฤติปฏิบัติไม่ต้องคิดให้เสียเวลามเวลาในเรื่อ ง, องวัฏสงฆ์นิพพานขึ้นเกิดสิ่งสมัยไปแล้วทั้งๆที่ เพราะว่าทำสั่งสอนพระมุสลิเจ้ายังมึนอยู่นันเป็นความคิดของเงอบุรุษรเงอะพระตรีคืขึ้นออกมาด้วยความ่นดาวเพราะอำนาจแห่งที่เหลือปกคุมรองไม่มองเห็นเหตุเห็นผลเห็นตัวเหตายแล้วก็พูดออกมาตามภาฏีบาตรตาตั้งตนซึ่งแล้วคาพูดเหล่านี้ด้วยความเห็นแล้วนี้ไม่จัดเข้าในกฎเกณฑนซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องดังหลักมัตตมั เพาหลักมัชชิมาเป็นเครื่องยืงยันแล้วออกมาแล้วจกักพระไทยที่เบิสุขจับทะลุก็ตรัรรืฤ ด, ด้วยหลักมัชชิมานี้การสอนธรรมก็สอนด้วยหลักมัชชิมานี้ผู้ปฏิบัติตามหลักมัชชิมามีเครื่อที่เลือกเครื่องชนะที่เลือกประเภทเดียวกันที่เลือกตัวไหนจะมีอํานาจวาสนาสามารถแต่กล้าที่จะลบล้างธรรมะเหล่านี้ได้ไม่ปราบ น, นอกจากเราจะเป็นผู้อ่อนแอลุ่ม ไม่มีความสามารถที่จะทึงกับชุดปิบั that, e ติตามหลักธรรมนี้ให้ได้เป็นเป็นเม็ดเปหน่วงารทําที่กล่าวไว้เพื่อลดเล่างี่เหลือึี่มีอยู่ภานในใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอะไรเล่าเป็นเครื่องผิดกั้นมรรคผนิพพานในโลกนี้มีอันใดทั้งสิ้นที่เป็นเครื่องผิดกั้นมรรคผนิพพานมาให้พวกเราทั้งหลายที่ต้องการมรรคผนิพพานได้รู้ได้สุดนอกจากที่เหลือนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่น ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูขาก็เป็นภูเขาลมพัดอากาศก็เป็นลมพัดอากาศสิ่งใดก็เป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาจิดกังนางลำลึเพื่อเอาขนุนิทานนอกจากี่เลสที่ป็นอยู่ในหัวใจหรือติดจิตใจของเราอย่างนิ่งคิดไม่มีกางวันจางคืนมือเตื้อไปหมดนี้เท่านั้นนี่แหละคือเชื่อจุกกันนับขนุนิทานมาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายวิ่ ธรรมชาติได้เล่าที่จะโตดสิ่งที่ปกติกำบังจิตใจอยู่นี้ให้ออกไปได้โดยหลักก็มีหลักมัตต์จึงเนี่ยจะดูความเรงให้เห็นชัดชาติในหลักอริยปฏิจจธรรมทั้งสิ้นแล้วก็คือปฏิจจธรรมสองประการเป็นเครื่องปกติกำบังจิตใจของสัตว์โลกมให้ค้นจับทูกไปได้คือพูทกับสุนุทัย สมุทัยเป็เรื่องของที่เดชโดยตรงทุกเป็นผลของที่เดชที่กขึ้นมาให้เกิดความร้อนร้อนแตกแตกของสัดโลกมีเป็นเครื่องปกติดตําหบังไม่ใช่คภูเขายินฟ้าอากาศเป็นเครื่องปกติจิตใจเพื่อนเองมากผลนี้ตายแต่เป็นที่เดชประเภทเหล่านี้เท่านั้นแล้วสิ่งที่จะบุเบิกที่เดชประเภทเหล่านี้ออกได้คืออะไรก็มีหลักมัธยมมา มีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นมีแลวเป็นเคองมีที่ทันสมัยตลอดมาจนกระทา่งปัจจุบันและตลอดไปอีกไม่มีทางสูญสุดเป็นมัชฌิมาอิเ่มขงเสมอแล ะ, วะแควรแต่การเฉลี่ยทุกประเทศในบรรดามัชฌิมาที่สองในเร็วนี้สัมมาปิฎิสัมมาสังโต ท, ท่านเรียกพระองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชิวมีท่านเรียกแต่องศีล สมาสติสมาวายโมสมาสติสมามาธิมี่เท่านี้องสมาธิรวมทั้งสามประเภทนี้แลถ้าเรียกะสมัาธิมาสมาธิมาธรรมนี้แลเป็นเครื่องบุบเบิดสิ่งที่ปิดก้านทั้งหลายีือจุดแบบนั้นให้ให้หมดไปหมดไปจากกันด้วยการปฏิบัติมีจึงมีรวมแล้วอริยสัจทั้งสี่นี้มีอยู่กับตัวของเราทุกๆรายด้วยกัน พบกับเป็นอุทยเป็นสิ่งที่สังสงิภายในจิตใจแต่มากได้แต่ข้อปฏิบัตินั้นถ้าเราอดรมให้มีก็มอดรมให้มีมากมีน้อยตามกําลังความสามารถและความมุ่งมั่นยายามของเรามีได้ด้วยกันเมื่อมาอบรมให้เต็มที่เต็มภูมิแล้วก็สามารถแก้ชีวิตคุตตโพธิ์ธนาที่จุดแขวนอยภาในจิตใจให้ผ่านเช่นไปได้โดยนักเป็นข้าวถึงนิพนิมนผ่านเชืเอมโยวกับพระพุทธเจ้า กับายโลกหลายไม่มีในจิตเปลี่ยนแปลงต่างจากกันมิเพรานั้นความประทานที่จะเปนเครื่องปกสิดจำมังนี้เป็นเครื่องเครื่องจิกกั้นมรรคนิพานมาให้บรรลุนั้นเต็มไปไม่ได้นอกจากที่เด็ดภายในของสายของสายโลกเราะนั้นเป็นเครื่องสิกทัดเด่นเองแม้แต่ช่างพุทธการก็มีเช่นนี้เหมือนกันเราอย่ามาตั้งแต่สมัยพุทธการนั้นท่านบรรลุมรรคผิพานได้สมัยนี้บรรลุม่ได้แม้สมัยนี้พระพุทธไม่ปฏิบัติธปฏิบัติ คำัดที่เลือดก็หลุดพ้นแต่ไม่ได้แม้จะเกาะชายชีวันของพัะพุทธเจ้าไปก็ตัดแต่ละเกาะเหมือนตะเลนขอาข้าอะไรตรงนี้ในที่เลือดก็เลือดอะไรสิ่งนนคัญยิ่งขึ้นอยู่กับการปธิบัติที่เลือดเป็นประเภทเดียวกันในสมัยพุทธกาลซึ่งอยู่ในหัวใจของสโลกในความลกความขรุขรประเภทเดียวกันนี้ ทำเครื่องแก่เครื่องแก่ที่เดชต้างถึงสมาธิปัญญาที่เรียกรวมแล้วว่าเป็นมัตติมาอย่างเดียวเท่านั้นที่เคยไดุ้นมาเป็นกหลัําำลังไม่มีลัาสมัยก็คือทำเครื่องแก่ที่เดชผู้ที่รัสมัยเขาจะพูดโกเกเี่าที่ไม่สามารถจะนำไป้อดปฏิบัติพุทธองค์ท่านแส่็ไม่แล้วมาปฏิบัติให้เป็นปะจําแต่างธรรมที่ทรงสอนไว้นั้นเครื่องแก่ที่เดชทั้งหลายทั้ดขึ้นประจากใจ ถ้าไม่สามารถยู่หยัดได้เราจึงต้องปิดกันนะ้นมะขุนัน์ตัวเองแม้จะดีนในสมัยตั้นพุทธาภก็ตามมาสมัยนี้ก็ตามถ้าทาแบบนี้ก็จะติดกั้นตัวเองมะขุนพันธุนก์ก็บบจะนะมใ น, ในบุคคลนั้นตลอดไปไ่ว่าสมัยไหนถ้าจิเดือดในฝังจง ม, มีพานาจิตใจไม่สมนใจที่จะแก้ไขมันแล้วคู่มั่นแบบตกยบผู้สร้างก่อสางน้าให้เป็นหยาบย่ำแล้วทำลายตัวเองเเสมอ และใช่ผู้อื่นผู้ใดจะมาให้โทษให้ขุนนอกจากผู้ตัวตัวเอ ง, เ, องเป็นผู้ผิดเหมุอันไม่ดีขึ้นมาแล้วผลอันไม่ดีก็คือคามทุกรนก็เกิดขึ้นจากตรงตรงนั้นฮะเป็นผู้มีความสนใจใช่ในการศึกษาปฏิบัติเพื่อการแจกพิเดชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าสมัยใดพิเดกจะหมอกลากปแต่กันตามกันเพิ่มเดีวจากสมัยโน้นไม่มีอะไรผิดแปล ก, กมีเป็นหลักข้อยืนยันตายตัวว่าเป็นความจริง ไม้มอย่างอื่นที่จะนอกใจจักรการสมาธิภาวนาเป็นสิ่งสําคัญมากคือเราจะได้เห็นเรื่องของจิตเหลืออย่างชัดเจนที่แ ส, สดงตัวอยู่ภายในจิตใจภารวนาภาวนาอย่างไรที่วิาชาอาารทั้งหลายก็เคยด้แก้ด้วยบ้างแล้วมีวิธีการต่างๆกันแต่ผลความแน้วก็ผลิตเป็นอันเดียวกัน ความสงบสุขเดินใจตลอดถึงความเฉลียวลาดสามารถภายในจิตใจซึ่งผู้จะบัดอบอรนภาวนาด้วย ท, บบทํำบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นขอให้กำหนดความรู้สึกของตนกับธรรมะพุทโตให้คงตื่นกันโดยลาดับอย่ากให้ผลกขึ้นในความคิดถึงผลอันใดทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการภาวนาว่าจะเป็นกระทั่งนั้นจะเป็นกระทั่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องหลอกตัวประกอบ ถ้ากําหนดความรู้กับธรรมะพุทโธให้กลมกลืนกันทำบริกรรมกับพุทโธเป็นเพื่อนกลมกลืนกันเสนอความรู้ที่เคยชาติไปในที่ต่างๆจะรวมสุดเข้ามาสู่ธรรมะพุทโธอันเหดียหลังจากนั้นก็จะปรากฏแต่ความรู้ล้นร้วนแม้แต่ทำบริกรรมพุทโธก็หมดความหมายแต่อื่นนี่คือผู้ส่งตัวได้ด้วยความรู้ที่เรวอตัวท่านเรียกว่าจิตทั้งหมดมีตเชงนเป็นอย่างนี้ หรือผู้กําหนดอนาพานะฮจิตลมหายใจเข้าออกข้อมให้มี ค, ความรู้สึกมีสติตั้งอยู่กับลมหายใจที่จั่มปัดเข่าออกเพระนั้นไม่จำเป็นสำคัญมันหมายกับเกิดกับผลอนามัยจากงานที่ตกนกาลังทำอยู่นี้เท่านั้นผลก็จะพึงเป็นความสงบเช่นเดียวกันจิตคือการทดสอบการเรียนตามหลักศาสนานั้นเรียนเรื่องของตัวเองความเชื่อหมายของอื่นเป็นสำคัญเฉพาะ อ, อย่างยน่้จิตยึดความเชื่อหมายยึดตลอดเวลาเที่ยว โรงงานคึกคุนต่างๆขึ้นมาส่วนมากก็ติดตุกขึ้นมาเผาดุนกันเอการปฏิบัติธรรมคือการตอบต่องตนเองนี้จึงเป็นความที่ถูกร้องครอบธรรมการวิถยึทางเดินของจิตยึดความิดความปรุงของจักและวิถีทางเดินยึดยึความสังสมที่เพื่อทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากใรนิจิตนี้เป็นสําคัญการพาวนาจึงต้องสงใจลงที่จิตซึ่งเป็นฐานที่ หรือรงงานท่านผิตคุณต่างๆต่อมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความพุทธมีตนเป็นต้นความสงบล้วเรียืนแต่ชื่อในหนังสือสมาธิคือความตั้ททงมัน่นหนังสือท่านบอกว่าตั้งมัน่นแต่ใจแต่ใจของเรามันคลอเถอะทั้ทงทั้งที่เราประจําได้แล้วสมาธิคือความตั้ททงมัน่นแต่ใจของเราทาั้งที่จําได้มันก็ ค, ค่อนแเหผลด่วนนะ ถ้าไม่ทําตามวิธีการที่ท่านสอไนไว้จำไม่แต่ชื่อจะไปเกิประโยชน์ทำจำกับความจึงนั้นมีความผิดกันคนละโลกควา ม, ามจำเราจาได้มากนะ้อยอย่างไรก็ตามจําสุดจาําทางมาอมีกจนกระทั่งจบเข้าใจดีเด็แต่การเรียนการพูดอย่างนี้ไม่ได้สมากทำของพระพุทธเจ้าเราพูดตามความผิดเราจะเรียนจบจกเข้าใจดีดจเด็กก็ตามที่อเด็กนั่นชื่อยอย่างนั้นชื่อยอย่างนั้นชื่อยอย่างนั้นผิดเยียงไร ข้อไม่กุดจุดเมื่อยังจับที่เดือยยังแทะที่เดือยไม่ได้ไม่สุดคืออะไรจุดนี้นอกจากเราเรียนมาแล้วรู้วิธีแล้วปฏิบัติการจับที่เดือยตามวิธีทำวิธีสอนไว้แล้วที่เดือยสุดเราจะโดยลําดับนั่นแหละคือผความจริงจะปรากดขึ้นในจุดนี้จากความจำที่เราเรียนมาที่เป็นแผงที่ที่เราเรียนมาเชื่อมางนอกกับเส้นเดียวกับโซนเสือร้ายต่างๆ คือเจื่เ yup. ติมบ้านเติมเมืองทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอยู่เนเมืองมากมาเราจะจดจำชื <M> ่อของอเปตนท right? ี่ทั้งเสือเหล่านั้นได้เพียงไรจนกระทั่งถึงโคตรแท้ของเสือนั้นก็ตามแต่เมื่อยันจับเสือนั้นมาเข้าคก้กลางไม่ได้เมื่อไรก็ือเสือเหล่านั้นที่เราจำชื่อาำโคตรจแท้ของมันได้โดยด้วยมือันแดจะเป็นผู้ตอความยุ่งเหยิวนวายเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอยู่ไม่หยุดในถอย เพะฉะนั้นการจำชื่อชังเสือทั้งตนจึงไม่จึงไม่สําคัญยิ่งกว่าที่จะจับจูมาด้วยวิธีการต่างๆการจำชื่อของพิเดศวิธีการประพฤติปฏิบัติเราจําได้นี่เรียกว่าความจําพราะนั่นความจำนั้นขมาประพฤติปฏิบัติจงกลายเป็นความคิดขึ้นมาจนสมาธิเราได้ยินแต่ชื่อเราอ่านได้แต่ชื่อแวัสมาธิเป็นคามตั้งมั่นจิตทั้งๆที่จิตขอเรายังไม่ตั้งมั่น เราก็มาทําตามวิธีการที่ทานสอนได้คือทําสมาธิทางที่ว่านี้อบรมตันนั้นจะกำหนดพุทโธหรืออนาตานให้จิตเป็นต้นก็ให้จนไปตามความถูกต้องของธรรมที่ท่นสอนไว้ให้เผยกัติแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นฌานสงบและเป็นความแน่นหนามั่นคงที่จิตใจที่เรียกว่าสมาธิคําว่าสมาธิที่จำได้กับสมาธิที่เป็นจริงที่ปราตฏขึ้นภายในจิตใจนี้เป็นคนละอย่าง ความจาได้เป็นความภาพหมายแต่ความจริงเป็นความาราสดเด่นชัดขึ้นกับตัวเอ ง, งเช่นเดียวยกันรับทานอาหารหลานก็าทราบเป็นก็าทราบแต่ความเราจะจะยินแต่ชื่อว่าหวานนั้นเป็นอย่างนี้อาหารประเภทนั้นหลานนั้นเปื่ออย่างนี้เป็นอย่างนี้ น, น, น, น, าา น, น, นั่น เ, นเป็ น, น, น, นความจาแต่พอมาถึงจิตวิทศาสต์ของเราได้ทราบพผพักเกลื่อนี้วเราต้าหายสงสัยเมืม่อเข้าถึงความจริงแล้วว่าทางเลกทางธรรมหายสงสัยได้ด้วยตาก็งั้นนั่นนี่ ถนนคนทางมีความเริรุ่งรงอย่างนั้นอย่างนั้นพอเราได้ยนืนเราก็วาดาพขึ้นํานนมี่แบบเหมือนนั้นเป็นลักษณะ kra, อย่างนั้นอย่งนั้นอย่างนั้นพอเราไปเจอควาจริงเรเห็นจริงเรเห็นด้วยตาเนื้อของ เ, อเราแล้วปัญหามันก็หมดไปเองพรนีคว า, าจมจริงในเรื่องสมาธิเป็นตน้นข้อเช่นเดียวกันเราจำได้แต่ที่อของสมาธิว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีแต่ต้องมาหาจฉล่งสายมีแต่คาดอันเนองนนอยู่เรื่อยๆแต่พอมาปรากฏขึ้นในใจแล้วคาว่าสมาธิกับ ที่เราจาได้กับความจริงที่มาปรากฏขึ้นในตัวของเราเองก็เป็นอันเดียวกันความจริงปรากฏขึ้นแล่วอวามสงสัยก็หายไปมีแค่เนือกับความจริงความจริงนี้ไม่มีอะไรลบล้างได้เช่นธรรมะบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวัสดิ์มีจริงนิ่ออกมาจากความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้สูงเห็นแล้ทุกอย่างไครจะมาลบล้างก็ไม่ได้นี่เราพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นความจริเธอพูดถึงเรื่องกัญญา อัญญาคืออะไรคือควมเฉลียฉลาดแล้มคมที่จะคอบถรนงสิเด็ดอาะไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดที่จะทำเรื่องยนจนใครโยงเหาะลอยบินก็โดดาวเทียงขึ้นระทิถพระจัน์อะไรทั้งๆิดแก๊คุกจนไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแนัน้นก็ไม่เคยสดวกดูไม่ดีความเฉลียวฉลาด น, น, นั้นยนังก่อโลกให้เดือดร้อนขึ้นอีก ด, ด้วยถ้าผิดทาง แต่ความเาดือดดาลทางด้านธรรมะมีมากมายเพีรหลายย่อมทำตนให้มีความร่มเย็นประจุและทำโลกให้มีความร่มเย็นประุตามกานเชื่นเดียวจะพบว่เจ้าจงเดือดดาให้ตรัสรู้ทำด้วยความฉลาดความระองคกแล้วนำธรรมนั้นมาส่องโลกและแล้วความร่มเย็นมากมายถ่ายองามคืออะเห็นมั้นี้นี่คือคามฉลาดที่ถูกต้องสำหลับธรรมงทําหมายถึงความฉลาดอย่างนี้ที่เรียกว่าปัญญาปัญญาคือความกล้าฟองคือความแหลมคมความคิดอ่านเกิดรองต่างๆตามเอิดตามผ เรารู้แจ้งคุณจริงตามสุดนั้นๆผลนั้นๆและผลพระปราศุดขึ้นมาเป็นความสงบของสายภายในจิตใจปัญญาพิจารณาอย่างไรที่ท่านเรียกว่าปัญญาคือการขี้คลายธาตุังของเราได้แก่ร่างกายนี่มันเป็นก้อนธาตุ น, นี่หรือเป็นที่ประคุมมัดรวมกันนี่ส่วนาสมต่างๆที่มารวมตัวเข้าแล้วได้จะธาตุดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นธาตุดิน ส่วนอ่านเป็นน้ำก็เป็นธาตุน้ำลมในลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมไฟคือความอบอุ่นภายในร่างกายธาตนี้เรียกว่าธาตุไฟทั้งสี่อย่างนี้มาผสมกันเข้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์โดยที่มีสิตเข้าไปสิงสู่อยู่ในะสถานจึงนั้นแล้วถือกรรมกิิจว่าเป็นตนของเราเป็นสัตวนมนุษย์ขึ้นมานี้เราแยกให้เห็นตามความจริงของของธรรมชาตินี้ เราอย่เราไม่เกิดสันแต่ก่อนเราเจิดสันเรานี่เป็นเรานี้เป็นของเราทั้งทั้งที่ดินเราก็ว่าเป็นเราน้ํเราก็ว่าเป็นเราไฟก็ว่าเป็นเราลมก็ว่าเป็นเราทั้งทั้งที่ดินน้าลมไฟมีอยู่เป็นแผ่นดินแล้วไม่ถือว่านั้นเป็นเราแต่เรามาถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราซึ่งก็เป็นา่าดินน้าลมไฟเช่นเดียวกันนี่แสดงว่าเราไม่เข้าใจความจริงเลยว่าเราจะถือเรืน้าเป็นเราทําไมน้าที่เราเห็นอยู่ทุกแห่งนั่นจึงไม่เป็นเราถือว่าลมลมก็ไปมีอยู่ทําไมไม่ว่าเป็นเรา เราทำไมจึงมาถือธาตุผิดน้ำลงไปซึ่งเดือยูุ่นในตัวของเรานี้ว่าเป็นไหน่มันก็เป็นความเห็นผิดนี่งเป็นะาะนปัญญาที่แย่แย่ลงไปเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่านี้ก็คือธาตุซึ่งเดียวกับปฏิกายนอกอนมัเป็นแต่เพียงว่ามัดมารวมกันอีกเท่าเถิดธาตุผิดน้ำลงไปแยกแย่กันดูให้เห็นอยางตัดเปรื่นถ้าพูดถึงอนิจจังก็มีความแปรสภาพอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งกลางคืนกลางวันเดือนเดือนแ่นอนไม่มีอิริยาบถไม่มีวันสาวาชิตษมีแต่ความแปรสภาพอีก ทำหน้าที่ขอมตไปโดยลําดับโดยไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นฝุด ถ, ถึงเรื่องคางที่ข์กับันการมันอยู่คั้งอยู่ตลอดเวลาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนหลายจึงต้องเสี่ยนอยบบทเพื่อความบรรเทาของความทุกข์ ถ, ถ, ามมถาา้าว่าจะมีแต่เพียงอยบบทเดียวโลกคนเรามันคนไม่ได้เ่านนอนตลอดไปนี่มันก็เป็นทุกข์นอนมากมากเข้าไปทุกมากที่เหมือนนั้นมันก็ตายได้ยืนตลอดเวลาก็ยืนไม่ได้มันจะเพิ่มความทุกข์ขึ้น้ากต้องเปลี่ยน เดินบ้างเดินบ้างนั่งหั่นดอนนอนบ้างนิสั็อะไรสารพัดอะไรจะต้องเพ่บรรเทาความทุกที่มีอยู่ภายในตัวเองนี่เรียกว่าทุกขมีหรือไม่มีในตัวของเราเราหลวทุกข์ไปที่ไหนทุกขอยู่ในตัวของเราทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติต่อทุขอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่ทราบว่าความุกนี่มาลังความหอลังใจหรืออยู่ข้างเราอยู่หรือไงธรรมะเราจะเรียนที่ไหนถ้ามาเรียนในธรรมชาติที่เป็นความจริงแบบนี้ซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี่ท่านเรียกว่าปัญญาธรรมะนักปาชญเขาอย่างที่ว่านะ อาตาเลยือเป็นเราได้ที่ไหนอาตาแต่ละอย่างอย่างเป็นหธรรมชาติของมันที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่และดับไปของมันเท่ า, ทานั้นให้ยึดว่าเป็นในเป็นของเป็นของใครก็ตามเขาตา้าตงองมีความรู้สึกตัวเลยว่าเขาได้เป็นเาเปนเาาา็นของเราตามความสัมพันธ์หน้หมายของเรามีปกติแบบความรู้ของเรานั่นเองติดตามเข้าไปขาไปไหนก็ติดตามเข้าไปจะให้ทันจะมันไม่ทัน ไม่สงสญญารถนาย่ำไปชั้งและปะฏิตทมสิทุขังปรารถนาจึงใดไม่เป็นหวังสุนัขเป็นทุกข์ขึ้นมาจากใจของเราเองไม่ใช่เป็นทุกข์จากผู้หนึ่งผู้ใดแต่เป็นทุกข์แต่ถ้าสิ่ินั้นลงไปก็หาไม่แต่มันเป็นทุกข์ึ้นที่ผู้หลงงมงาย น, นี่เองต่เชื่อชื่อเชื่อถือเพราะฉะนั้นท่นอนจึตสอนให้ขึ้นมาปัญญาที่ชาลุ่เห็นตามหลักความจรินนงน้ำปล่อยภาชนะแต่านี้ที่สำคัญว่าเป็นตัวตนนี้ออกเสียคือความยึดมั่นถือนั่นทายทอดทายถอนกันออกมาโดยหลังหลับใจของเราก็เป็นตัวของเราขึ้นามาเป สิ่งนั้นก็หลงไปตามเป็นสิ่งหนึ่งมาตั้งรูปโยธาสัญญาตั้งฐานวิญญาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉเฉยก็ตามมันก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเราพิจารณาที่ขายเห็นตามความจริมันแล้วมันก็ไม่หลงเโยนาว่าเป็นเราเป็นของเราสัญญาความจำของมันจําได้แล้วมันก็หลงดูไปต้องจำเมื่อไรก็จําขึ้นมาก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นดับไปเส้นเดียวกันมีนการงทุกขังในตาเต็มตัวเส้นเดียวกันกับสิ่งทั้งหลายัฐานวิญญาณความปรุงความแปลง มั้นก็มีลักษณะเดียวกันมืทัานเรียกว่าปัญญาพิจนาที่ตาให้เห็นตามความจริงของสิตเหล่านี้แล้วจิตมันจะยึดมั่นถือมั่นแน่นขนาดไหนก็ตามจิตใจจะเคยมืดหนาทั้งโหดมาเพราะที่เรียดจกคุมหุ้มห่อมาตั้งกับทั้งการผตามเมื่อตามไปแสงสว่างสุปัญญาขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแล้วความมืดมันก็ดับไปทันทีทันใดเช่นเดียวกับ ความมืดที่มีอยู่ในบ้านในเรือนในฐานที่ใดก็ตามพอเกิดไปขึ้นแต่นั้นมันจะเกิดมืดมาตั้งกับตั้งกันก็คนอยู่ไม่น่าความสว่างจะเกดขึ้นความมืดต้องหายไป ท, ทันทีตั้งไหนข้อนี้ถามห า, ายสมนกักการที่เดชที่ถ้าผลจิตใจลืมหมอจิตจังไหนจะมืดเคยมืดมาติดกับตั้งกันก็นนตามเมื่อปัญญาได้มีความสามารถเสี่ยกล้าสรงแสงสว่างเข้าไปในจิตที่มุน่นแล้วความสว่างมันเกิดขึ้นเพรานอำนาจของปัญญาเมื่อจะเกิดขึ้นมาเอง ทำเมื่อคืเจือทั้งหลายล่นั้นคนตัวอยู่ไบ้หน้าเพราะอำนาจของปัญญาที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถทาจับสิ่งนั้นได้หมอกนั่นแหละที่เราท่านพ้นจากโลกเรื่อคโลภูรู้แจ้งโลกรื้แจ้งอะไรถ้านมารูแจ้งในสิ่งที่มืดมืดจิตตังภายในจิตใจทั้งฝนนี้เท่านั้นเป็นหลักสําคัญกันอีกเนี่ยท่านหลังโลกจะมีผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลก่าโลกขันเนี่ยโลกที่เดือดดาลอาสวะเป็นมื่ภายในจิตใจนี่แหละที่เรยกว่าปัญญา ขนาดอย่างนี้ขนาดปัญญาเพื่ขอขัดขอนตนกัน ป, ปัญญาที่ถูกต้องก็คือเมื่อมีความฉลาดทางในก็ยกตัวให้พ้นจากทุกข์ก็ได้โดยกำลังแบบไม่ได้กล้าต้องทุกมาเผาเรื่องตนเองทั้งที่ตนมาเป็นฉลาดของทั้งที่โงงแทบตายเหมือนกันเพรยังทําขันมาเป็นฉลาดนั่นคือทั้งงที่สงโงโุดของโลกโดยเป็นความหลับทำมังกรกล้าที่ท่านเรียวกว่าความฉลาดถ้าเป็นประจามหลับทำเป็นหนึ่งเป็นปัญญา พิจนาพิการอย่างพิเรนมันจะละเอียดขนาดไหนมีพิพานในจิตใจคนปัญญาไปไม่ได้ปัญญาจะจาดล้างไปหมดถึงพิจารณ์บเชียงคือความไปดิสุทธิจิตเท่านั้นถพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระทรงอยู่ก็ตามจะพิพานนานตราเดียวแค่ไหนก็ตามตามสมมูลนิยมจะไม่เป็นปัญหาจะไม่เป็นเรื่องมาติดกันมาส่วนิพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและขอบถอนพิเรนได้โดยชอบทำไม้ได้เลย ที izing, ่พระพุทธเจ้าสอนทรงสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นนาฏสาพพธนันละหมายถึงอะไรตาสะก็คืออะไรธรรมคืออะไรธรรมก็คือความจริงรู้ความจริงเข้าไปเดินหนักก็ตรชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าก็เดินหนักองค์พุทธเจ้าไม่ใช่จริงคืออะไรไม่ใช่เรือนร่างธาตุดินนณณ์ลงไปนี้เป็นองค์พุทธเจ้าแต่หมายถึงความบริจิตที่มีประจําชาทิของพระองค์เมื่อเราเห็น ใจของเรามีความสว่างกระจ่างแจ้งเขาไปเดินหนับเพื่อน่าท่งนพ่อปฏิบัินั่นชื่อว่าเราได้เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าโดยเดับจากขึ้นไปจนกระทั่งถึงเราถึงขน็มุขเดทั้งจะพิเศเกิดการทั้งสวงนั่นแลคือเราเห็นพราตเ็องค์เเมื่อได้เห็นเึ่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะมีทานนานไปสักกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันไม่สาคัญเป็นไปเพียงการสถานที่รืสมมติโยมที่ว่ากันไปพุทธานั้นจะมีทานที่จะมีัาที่ไหน ทำไม่มีปา่าช้ามิพานไมีป่าช้าความรู้สุกไม่มีปา่าช้าไม่มีในจางทุกขงาาังอสาก็ไปเหยียดย่ำทําลายทําเหล่านี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงธรรมเหล่านี้แล้วจึงเป็นผู้หมดทางโง่ทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะเขาไปเหยียดย่ำทำลายหรืกอก่อคนได้เลยเราต้องการไม่ทําเหล่านี้หรือต้องการต้องแฉกไปที่ไหนคู่ก็เดือดร้อนมีได้คุกเหยียดย้ำทำลายตลอดเลยนี่แหลที่ว่าทำมรดกจาริกจาริกอย่างนี้พราพูดวิจารคุณแต่โลกคุณอย่างนี้เลยไม่ถูก อรเยีจยมย่ำทำมาตั้งแต่ขณะที่ตบัสรู้แล้วจนกระทั่งถึงอริยมรรไม่กล่อสาวแตเลยเนี่ยทำผู้ที่ค้นและผู้ท่ประเสริฐก็ะเกิดอย่างนี้ทาก็ได้แสดงความสว่างกระจ่างแจ้งให้หลกได้เห็นตามหลักความจริงพระสงฆ์าวกก็อด้่ทุด้นไตามพระพุทธเจ้าเพราการประคุตปฏิบัติซำจัดที่เดชทั้งหมดในจิตใจของตนเองเท่านั้นจึงเรียกว่าพุทธทางธรรมังแรงเท่านั้นเท่าั้นรัดน สมควรจะการถามว่าสองผู้มีชีวิตทั้งหลายอย่างเราที่หาชีวิตมาได้เราหาชีวิตพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงฆ์นั้นไว้เป็นหลักฐานและประพฤตปฏิบัติตนเป็นไปตามดับจนสร้างกรามบัจจิเดชขึ้นภายในจิตใจแล้วเราก็เป็นพุทธทางธรรมสั้งทางสานักถานมิขับหลับไราอื่นได้เนี่ยพุทธานอกธมานอกสังขานอกเป็นอันหนึ่งอย่างที่เราเป็นสึงท่านนั้นเป็นพุทธาธรรมสังขานอกเมื่อเราสร้างจิตใจของเราด้วยข้อปฏิบัติต่างที่ พระพุทธเจ้าทรงสอนแมดทจนกลายเปตัวขึ้นของตวขึ am, tha, nah, ้นมาด้วยความม่สุดอย่างเต็มตที alike, ่แล้วนั่นแหลที่อูุทธงธรรมทั้งทางพลังปังสาณีของเราอย่างแท้จริงไปไหนไม่จากกับจากพุทธังธรรงสั้งทางนี้เลยไม่ว่าอิยาบถใดแม้พระพุทธเจ้าจะทรงพระเศู่ก็ตามทำไมสงสัยผู้บระทุนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าิพานไปแล้วระสามเไม่หวั่นไหวเพราะความจริงเท่ากันความรู้ความเห็นความจริงนี้มีเสมอกันเนี่ยนั่นจีเซโยพาตโยตั้งแต่พระทุก ตั้งแต่พระสาวกสุดแกมีระฆงองค์สุดท้ายเมื่อถึงความบริสุทธิ์แรกเสมอกันหมดกับพระพุทธเจ้าติยะารุนี่แหละธรรมของพระพุทธาจ้าเป็นอย่างนี้แต่ำคัญเ็าคิดปฏิบาตเรียนเนี่าให้ปฏิบัตเรียนเฉยจำา้วยเฉยลวมาโอมาอวดตังค้อโม้ไปหมดไม่เกิดประดยชอะไรหมดน้ำลาย นักจดประยชน์นักป่าที่เด็กเต็มตัวความรู้ตัวหัวเอาตัวไม่รอดท่านเรียกนักป่านักป่าจริงๆต้องรู้จริงหัวจริ ง, รงตามหลักพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามแบบพระองค์ท่านมันก็เป็นนักป่าขึ้นมาโดยไม่ต้องเดสด็จตางสังและไม่ต้องเพ้อเหิมไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่เฮือกับอะไรความจริงเต็ใจแล้วไม่ไม่ตื่นเน ต, เอนอเนต้นเสมอตั ก็อยู่ไดยอย่างสม่าเสมอเนี่เมื่อทําองพระพุทธเจ้าขอให้ผ่านตั้งหลายเดือนนำไปรพุทธปฏิบัติเราจะเป็นคารวาชก็ตามเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามอันนี้เป็นโทษอันหนึ่งตังหะหลักความจริงธรรมชาติปอถุพันะอันแท้จริงที่จะสำหรับผู้จะรับทํามนั้นสุใจใจนั้นมีความรู้สึกได้เช่นเดียวกันไม่ว่าหญิงว่าชายมีความกราดาเลี้ยงคม ก็มีสคดีเช่นเดียวกันสามารถแก้แค่คดบนั้น้หมดไปได้เช่นเดียวกันกับกับฮะและเช่นเดียวกัน <medi> ค <Holiday> <asta> ุ้เท่ไม่มียิ่งหยองต่อกันจึงขอยุตทำเพียงเทงนี้ถากว่าท่านผู้ใดมีข้อคงาจอะไรจะศึกษาตลอดทางก็ได้ในระยะต่อไปละยุติ